ต, ต้นเหตุของของอุปาทานขันห้าที่จะ ก, ก่อตัวมาเป็นอย่างเนี้ยเกิดจากอะไรแต่ทีนี้ก่อนที่จะพิจารณาในฐานนะเหตุเกิดกับความดับเนี่ยนะส่วนทั่วๆไปแล้วท่านให้พิจารณาถึงปัจจัยก่อนบางอย่างนะเขาจะมีคำย่อๆเอาไว้เรียกกันว่ารูปประขันเป็นเป็นรูปประธรรมส่วนนามขันนี้เป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้เป็น นำ ม, มาทำก็ไม่ยกว่าปัจจัยของรูปธรรมเนี่ยคืออะไรแต่ว่าก่อนที่จะยกว่าอะไรเป็นปัจจัยของรูปธรรมก็ควรที่จะเข้าใจว่ารูปนั้นอนะห ม, 28, นนะหมายถึงรูป28ดเนี่ยนะหมายถึงรูปยีสบแปดแต่ว่าหนึ่งคนนี่ไม่ถึงยี่บแปดเราก็27เดนี่ยนะแต่พูดยี่บแปดนี้เอาทุกเพศทุกวัยทุกทุกคนอนะมาพูดอย่างนั้นเถอะ ถ้ารูปเหล่านี้นะปกติทั่วๆไปท่านก็บอกว่าถ้ามองในแง่ปัจจัยรูปอันเนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ไหนในพระสูตรหนึ่งพระองค์พูดถึงว่ารูปที่มันเกิดขึ้นนะก็คือธาตุหว่างั้นเถอะทวนที่เป็นธาตุก็คือธาตุสี่นะเพราะวแล้วก็ไอช่องว่างของธาตุสี่เรียกว่าอากาศส่วนที่เหลืออีกกลุ่มนามก็คือวิญญาณธาตุอันนี้ที่เกิดขึ้น เกิดที่ไหนเกิดที่คันแห่งมานดาว่างั้นเถอะเกิดที่คันมานดาทีนี้คําว่าเกิดที่คันมานดาเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ได้เกิดในกอบัวนะเราไม่ได้เกิดในกออุบลไม่ได้เกิดในเหมือนกับแก้วก้อนมณีอะไรไม่ใช่สักอย่างว่างั้นเถอะแล้วก็พูดถึงว่าแล้วอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากอวิชชาเกิดจากตัณหา เนี่ยนะเกิดจากอะไรอีกกรรมอนะอันนี้น อ, นน อ, อวิชาตันหาอุปมาเหมือนอะไรนะแม่กรรมเหมือนกับพ่อแล้วก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงอีกนะพี่เลี้ยงอันนี้ก็คืออาหา ร, นะารเนี่ยนะก็กายเนี่ยอันเนี้ยนี้พูดถึงเหตุเหตุไกลเอนะ อีกในหนึ่งอีกในหนึ่งก็พ่อกับแม่เกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาผู้ทั้งสี่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดเนี่ยนะข้าวสุก ข, ขนมสดเสร็จแล้วก็เจริญเติบโตมาโดยลำดับเก็เป็นไปอย่างนี้ทีนี้ถ้ามองในแงก่กรรมมกกาก็อวิชาตันหากรรมนี่เป็นปัจจัยอาหารก็ก็บำรุงหล่อเลี้ยงมา มาอย่างเรื่อยไปแต่ก็อวิชาตันหากรรมนี้ก็ทําให้เกิดก่อตัวมาอย่างนี้ดังนั้นการเจริญเติบโตวความเป็นไปของขันห้าก็ด้วยด้วยปัจจัยเหล่านี้ก็คืออวิชาตันหากรรมอาหารเนี่ยนะก็ตัวอุปาทานขันก็จะเกิดไปอย่างนี้โดยโดยลําดับอันนี้เรียกว่าความเกิดของของอุปาทานขันห้าเนี่ยนะทีนี้อุปาทานขันห้าอันนี้ก็ ก็ต้องมาแบ่งเอกเป็นเป็นไายในกามภพบรูปประพบแล้วก็อรูปประพบก็ไปแบ่งตามสองครแต่ว่าวัตตะมันเป็นไปอย่างนี้เห็นไหเออหลักหลักก็คือวิชาตันหากรรมถ้าเกิดในภูมิที่มีอาหารก็อาหารเนี่ยเลี้ยงถ้าภูมิที่ไม่มีอาหารก็ไม่ต้อง ก, ก็เป็นไปอย่างนี้แหละเห็นทีนี้ท่าทั้งสี่เหล่านี้บางอย่างก็เป็น เป็นปัจจัยแก่วัตถุเป็นปัจจัยแก่วัตถุวัตถุเป็นปัจจัยแก่นามรูปเวัตถุเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปคือจิตอันเนี้ยพอเกิดขึ้นแล้วเป็นปัจจัยแก่อะไรอีกเป็นปัจจัยแก่รูปอีกครั้งหนึ่งเอันนี้ก็เลยเรียกว่าจิตตะชรูปเห็นไหมก็คือนามรูปเกิดขึ้นทำให้รูปเกิด ก็เลยเป็นเป็นเหตุแก่จิตแต่รูปเนี่ยนะรูปเป็นปัจจัยแก่รูปส่วนตัวที่เป็นรูปนะรูปก็เป็นปัจจัยแก่แก่รูปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะส่วนที่เป็นรูปก็เป็นปัจจัยแก่รูปส่วนที่เป็นนามก็เป็นปัจจัยแก่แก่นามด้วยแก่รูปด้วยส่วนที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่รูปเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยปัจจัยบางอย่างแก่นามต่อไปอีกนะก็เป็นไปอย่างนี้ก็เจริญเติบโตแต่ทีนี้หลักๆทั่วๆไปแล้วอ่ะก็เอา อาวิชาเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์เกณฑ์หลักเนยนะเพราะศาตร์ทั้งหลายมียวิชาเป็นเครื่องกลางกางั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกมัดกรรมก็เลยนําเกิดไปเนี่ยนะบอกว่าหมุนไปด้วยเครื่องหมุนคือกรรมเหมือนกันเถอะกรรมนี่ก็จะพาหมุนไปพบน้อยพบใหญ่ก็เป็นไปนะก็สังสารวัตรก็จะเป็นไปอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าพูดโดยอาการเกิดว่าวะตะมันเกิดโดยโดยอาการอย่างนี้ ทีนี้ถ้าวัตตาอันนี้จะดับดับโดยอาการอะไรเนี่ยนะก็หมายว่าถ้าดับเหตุได้ผลก็ดับเนี่ยนะถ้าถ้าเปรียบเทียบอุปมานะว่าขันทั้งห้าเหล่านี้เหมือนกับไฟกองโตเนี่ยนะเป็นไฟกองโตโตอันนี้เหมือนกับเชื้อเนี่ยนะเชื้อเพลิงหรือฟืนเนี่ยนะ เชื้อเพลิงหรือฟืนถ้าได้เชื้ออย่างนี้เข้าไฟก็ลุกใส่แล้วพอไฟมาลุกขึ้นนะมันก็มันมีอีกอย่างหนึ่งคือเพิ่มเชื้อเนี่ยนะก็ตัวนี้มันมันมันเป็นผลของเชื้อเพลิงเนี่ยเสร็จพอมันไฟลุกแนละ้วมันก็สัดเป็นเชื้ออันใหม่ขึ้นมันก็เป็นเหตุให้ลุกต่อไปอย่างนี้อีกวันถ้าจะดับไฟกองนี้เขาดับที่ไหน ก็เขาดูว่าสําคัญว่าตัดที่เหตุตัดที่เชื้อมากกว่าเนี่ยนะถ้าคนที่มองว่าต้องไปดับที่ตี้ตัวาธาตุเองจริงๆอ่ะพวกนี้จะฆ่าตัวตายก็ไม่ใช่แนวทางของพระศาสนาอยู่แล้วใช่ไหมก็คือไปฆ่าตัวตายซะมันจะได้จบกันสัทีหนึ่งฉะั้นการฆ่าตัวตายไม่ได้ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะจิตที่ฆ่าตัวตายมันก็เป็นอีกเชื้ออีกอันหนึ่งไม่รู้จะนําเกิดที่ไหนต่อไปอีกก็ก็แย่และมันก็รู้ว่าเออถ้าจะดับกองทุกเหล่านี้ก็ดับที่เหตุ พระพูดแบบภาษาดิบุตก็บอกว่าทำเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดนะพระพุทธเจ้าพูดถึงเหตุของธรรมะเหล่านี้นะธรรมะเหล่านี้เกิดจากเหตุและพูดถึงความดับเหตุของธรรมะเหล่านี้พูดต้องดับอันนี้นะจุดจุ ด, จดประสงค์หลักของคําสอนก็คือดับที่เหตุนะถ้าดับเหตุวัตถุทุกมันก็ดับโดยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นคําว่าอุทย พ, พยะเนี่ยนะรู้เหตุเกิดกับความดับก็รู้ว่า วัตะมันเกิดได้ยังไงแล้วก็รู้ว่าวัตะจะดับได้อย่างไรเนี่ยน ะ, ะความเข้าใจอันนี้ถือว่าเป็ น, ปนองค์ประกอบของผู้ที่จะบาเพ็ญเพียรเยนี่ยนะส่วนผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็คือผู้ที่ดับเหตุของการเกิดได้หมดแล้วแต่ว่าขันของท่านเนี่ยนะโดยเฉพาะวิบากกรรมชรูปเกิดจากอาวิชชาเกิดโดยอาการ25เหมือนคนอื่นทั่วไป แต่ว่าไอ้ฝ่ายที่ฝ่ายเกิดนะแต่ว่าท่านดับเหตุของพบใหม่ต่อไปหมดแล้วเนี่ยนะซึ่งไม่เหมือนกับปุถุชนทั่วไปซึ่งไม่ได้ดับเหตุดับอะไรเลยสักอย่างเมื่อกี้พูดถึงองค์องค์ของผู้ที่จะบำเพ็ญเพียรเนี่ยนะย้อนกลับอีกครั้ง1ศรัทธาสองอะไรเรียกรวมรวมว่าสุขภาพกันแล้วกันข้อสาม ไม่มีมายาไม่มีมายาโอ้อวดเนี่ยนะมายานี่โดยสัพแปลว่าหลอกลวงอ่ะนะคือคือสิ่งนั้น่ะมันไม่จริงแต่ลวงให้มันเป็นจริงอย่างนี้เรียกว่ามายาก็บางทีก็อาจจะเพรียดคำว่าเงานั่ น, นแหละอย่างวงการมายาเนี่ยนะวงการมายาก็คือวงการเงานั่ น, นแหละอนะทีนี้คาว่ามายาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น่ะแต่ลวงให้มันดูเป็นอย่างนั้น ท่านบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนพยับแดดพยับแดดที่เรามองเห็นเหมือนกับมีน้ำเต็มถนนไปหมดเนี่ยจริงไหมไม่จริงนะอันนั้นมันลวงขึ้นมาแล้วก็มายาบางอย่างเนี่ยเช่นว่าทำน้ำให้เป็นอะไรน้ำมันทำน้ำมันให้เป็นน้ำเป็นต้นเนี่ยนะ ก, ก็แสดงวงการที่พลิกแปลงลักษณะนี้เหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าวงการมายา เงั้นแหะเป็นความหลอกลวงเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบําเพ็ญเพียรต้องไม่มีอันนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าลักษณะของผู้ที่ลวงมากๆ ก, ก็คือตัวเองอะ่ะไม่มีศรัทธาหรอกแต่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ว่ามีศรัทธาไม่มีศีลแต่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวเองนี้เป็นผู้มีศีลไม่มีสุตะคือไม่ได้ศึกษามามากอะไรแต่ว่าทําตัวเหมือนกับผู้คงแก่เรียนเต็มทีละคือจะให้คนอื่นเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามเป็นจริงอ่ะน ะ, อ, ะอันนี้เรียกว่า มีมายาแต่ว่ามันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคือมักมากก็มีมายากับมักมากมันจะมันจะอีกกลุ่มหนึ่งพวกที่มีมายาเนี่ยหมายถึงว่าตัวเองแหละไม่มีหรอกอนะไม่มีศรัทธาเป็นต้นนะแต่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ว่ามีศรัทธาส่วนพวกมักมากอ่ะมีศรัทธาจริง แต่ว่าเที่ยวประกาศให้คนอื่นรู้พวกนี้เรียกว่าพวกมักมาก อ, อ, อ, อ่ก็เป็นโอ้อวดไปเนี่ยนมโทษนะเนี่ยคนมกมากโทษมันก็ไม่ได้ทำด้วยกุศลง่ายๆหรอกเชื่อเหรอเนี่ยเนี่ยก็ต้องไม่มีมายากับไม่ไม่โอ้อวดเนี่ยนะแต่ก็ให้รายงานตามเป็นจริง นะรายงานตามเป็นจริงกับโ อ, อ้อวดนี่จะแตกต่างกันนะคือพูดเพื่อจะโ อ, อ้อวดเนี่ยมันมันกับพูดเพื่อรายงานตามเป็นจริงเนี่ยอาจจะคําเหมือนกันแต่เจตนารม์ไม่เหมือนกันเนี่ยนะนะก็คือถ้าลักษณะโ อ, อ้อวดก็คือว่าฉันนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยนะนะฉันมีดีตั้งหลายอย่างมีดีตั้งในฝกักและนอกฝกนะักไงใช่ไก็ประเภทลักษณะแบบนั้นแหละพวกที่โ อ, อ้อวดก็เป็นอย่างนั้นส่วนข้อสี่ก็คือวิริยะ มีความเพียรข้อห้า 5, มีปัญญาเนีย่ยนะอันนี้ถือว่าคุณธรรมห้าของผู้จะทำความเพียรผู้ที่จะทำความเพียรเนี่ยมีคุณธรรม5้านี้ตั้งคำถามว่าแล้วเพียรทำอะไรล่ะเอเมื่อกี้นะ ก, ก็ปัญญาอันนี้ก็ปัญญารู้เหตุเกิดกับความดับโดยอาการห้าสิบแล้วอะ่ะเอาแล้วจะมาเพียนทําอะไรเนี่ยนะมีคุณธรรมเหล่านี้จะได้ทําความเพียนได้ถามว่าเพียนอะไรเพียนในที่นี้ถ้าจะว่าให้ตองก็คือเพียนเจริญอนุปัสนาเห็นไหมจะได้เพียนเจริญอนุปัสนานั่นเอง อ, อนุปัสนาอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรนะ ปฏิปทาญาณทัสนาวิสุทธิเนี่ยนะก็คุณสมบัติเหล่านี้จึงสมควรแก่การที่จะบำเพ็ญอนุปัสนาเนี่ยนะเพราะสูตรเฉพาะสูตรนี้พูดถึงวิปัสนาบุคคลเนี่ยนะผู้ที่เป็นโลกิยะนะอันผู้ที่จ ะ, จะเจริญอนุปัสนาทั้งหลายโดยเฉพาะอนุปัสนาเจ็ดเนี่ยนะอนิจจานุปัสนา ผู้ขานุปัสนาเนี่ยนะอนัตตานุปัสนาแล้วก็อะไรนิพพิธานุปัสนาวิราคานุปัสนาแล้วก็นิโรธานุปัสนาปฏินิสักานุปัสนาเนี่ยนะนผู้ที่จะบำเพ็ญอนุปัสนาเจนี้ก็ควรมีคุณสมบัติ5ประการเหล่านี้เนี่ยนะคุณสมบัติ5นี้ถือว่าเป็น อ, องค์ประกอบสาคัญที่จะ เพียรตามนี้แล้วจึงจักสำเร็จผลเนี่ยนะอนุปัสนาเจตที่เจริญเนี่ยผู้ที่เจริญก็องคุณของเขาก็อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะแล้วก็น้อมไปเพื่อการสละเนี่ยนะเจริญอนุปัสนาหรือเจริญปัญญาเหล่านี้เพื่อวิราคะห้า นิโรธะห้าน้อมไปเพื่อการสละโดยอาการสองเนี่ยนะประหานะกับปริจาคะกับปักขันธนะเนี่ยนะบริจาคก็คือละนั่นเองกับปักขันธนะแล่นไปสู่พระนิพพา น, นผู้ที่คุณมีคุณธรรมที่จะบำเพ็ญเพียรเหล่านี้ก็องค์ประกอบ5ประการเหล่านี้เนี่ยนะ อันนี้เป็นธรรมะที่นับว่ามีอุปการะมากนะนะคุณคุณธรรมเหล่านี้นะมีอุปการะมากผู้ที่มีคุณธรรมทั้งห้าประการเนี่ยนะย้อนกลับอีกครั้งว่าพระองค์รับรองไล่เลยว่าสอนเช้าบรรลุเย็นสอนเย็นบรรลุเช้าอ น, นะอริยสัจนี้แทงตลอดแน่ของเราไม่บรรลุสักทีหนึ่งก็เอาพวกเราเนี้มาตรวจดูนะ ทีนี้ย้อนอีกครั้งหนึ่งเอา้าถ้าถ้าบําเพ็ญเพียรกับไม่บําเพ็ญเพียรเนี่ยนะมีข้อดีข้อเสียยังไงเอาผูดอีกนายหนึ่งก็ บ, บอกว่าถ้าไม่บําเพ็ญเพียรแล้วมีโทษยังไงถ้าบําเพ็ญเพียรแล้วมีคุณยังไงเนี่ยนะ ก, ก็ก็เคยถามดูนะถ้าไม่ไม่เจริญกรรมฐานใหม่บําเพ็ญเพียรเลยนะปล่อยประชีวิตไปวันวหนึนนน่งอ่ะนะจำนวนที่ว่าเช้าชามเย็นชามเนี่ยนะก็ เอาไวแ้แซลพระกันเล่นอ่ะนะเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนเย็นจำวัด ก, ก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปมากๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเก็ส่งเสริมวัตตะอย่างเดียวอย่างนั้นเน่พันธาวัตตะก็จะยาวมากขึ้นมีชื่ออะไรนะหมอมานะ่าชื่อทูเรวัตนะทูเรวัต ก็พวกที่ไม่บำเพ็ญเพียรก็คือกลุ่มทูเรวัตทั้งหลายแหละนั่นแหละทูเรวัตนี้ทูเรมันแปลว่าไกลเนี่ยนะวัตตะก็วัตตะอยู่แล้วนะก็คือพวกมีวัตตะยาวๆเรียกว่าทุเรวัตนมนันะมาก็เพิ่งได้ยินคำนี้วันนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าไม่บำเพ็ญเพียรไม่เจริญอะไรเลยก็นี่แหละวัตตะก็จะยาวเนี่ยน ะ, น ะ, นะถ้าไม่บำเพ็ญเพียร เ, เนี่ยก็เรียกว่าผู้ผที่เกียดคร้าน คำว่าเพียรกับไม่เพียรนี่เอาอะไรเป็นเป็นกฎเกณฑ์ในการตั้งว่าเออผู้นี้เพียรนะผู้นี้ไม่เพียรเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะก็เอาสติปัฏฐานนั่นแหละเป็นเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะเป็นเครื่องวัดถ้าหากว่าผู้ใดเจริญสติปัฏฐานจิตเป็นไปกับสติปัฏฐานก็เรียกว่าบำเพ็ญเพียรถ้าจิตเมื่อไหร่ที่จิตเหล่านั้นไม่เป็นไปกับสติปัฏฐานก็เรียกว่าเกียรคร้นเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นไปกับสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็แบ่งกลุ่มเป็นกายานุปัสนาใช่ไหมถ้าจิตเป็นไปกับกายสิบสี่บพะก็เรียกว่าบำเพ็ญเพียรถ้าไม่เป็นไปก็เรียกว่าเกียรครั้นถ้าเจริญเวทนานะพิจารณาเวทนาเก้าอยู่เนี่ยนะก็เรียกว่าบำเพ็ญเพียรถ้าไม่พิจารณาก็เรียกว่าเกียรติครั้นเนี่ยนะ จิตตาเนี่ยนะเอาจิต16ประเภทมาพิจารณาถ้าผู้พิจารณาก็เรียกว่าบําเพ็ญเพียรถ้าไม่พิจารณาเรียกว่าเกียรตคร้านธรรมะห้ากลุ่มเนี่ยนะถ้าไม่พิจารณาก็เรียกเกียรคร้านถ้าพิจารณาก็เรียกว่าบําเพ็ญเพียรทีนี้ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานนะมันมีอยู่สี่กลุ่ม <c oughs> ขออภยัยมีมีอยู่มีอยู่สามกลุ่มนะผู้ที่เจริญสติปัฏฐานนะ บางพวกนี้เจริญแบบอย่างเลวบางพวกก็อย่างกลางบางพวกก็อย่างประณีตเห็นไหมพวกที่เจริญสติปัฏฐานแบบศรัทธานะก็สักแต่ว่าเกิดมาอนกันเถอะคือคือสักแต่ว่าเจริญไปจํานวนนางธรรมถือว่าทําด้วยความไม่เคารพไม่ตั้งใจทําอ่ะนะอันนั้นแหละเรียกว่ามีความเพียนเลวมากนะ กความเพียรที่พอปานกลางก็คือถ้าเอาประณีตเอาเอาอย่างแบบผู้ดีๆมาจับะนะก็อยู่ระหว่างนี้เรียกว่าปานกลางเนี่ยนะผู้ที่บำเพ็ญกรรมฐานทั้งหลายก็จะมีอยู่สามระดับด้วยกันเนี่ยนะเพราะนผู้ที่เลวก็ควรให้มันอยู่ระดับกลางผู้ที่กลางก็ควรส่งเสริมให้ให้ประณีต ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะผู้ที่บำเพ็ญแบบค่อนข้างเลวก็คือก็สักแต่ว่าเจริญไปวันๆหนึ่นงเท่านั้นเอง น, นะถ้าเทียบกับไม่เจริญก็เจริญดีกว่านนะแต่ถ้าเทียบกับเจริญที่มีคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะผู้ที่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดีกว่ามีที่ว่าในเจรสูตรเนี่ยนะสังยุตติกายมหาวารวัชที่พูดว่าถ้าไฟไม่บนศีรษะหรือไฟไม่ผ้าเนี่ยควรทํำยังไง น, นะพระพุทธเจ้าถามพระพิสุทธนะ อยู่ๆแล้วไฟลุกท่วมศีรษะโมดเดลนะกับผ้าเนี่ยเหมือนกับชุบน้ามันเผาควรทํายังไงก็บอกกูต้องเพี้ยน่ะต้องรีบต้องเร็วมะงั้นต้องรีบต้องเร็วต้องด่วนต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรีบดับไฟอันนั้นเนี่ยนะดับไฟไหมบนศีรษะดับไฟที่ไหมผ้าพระเจ้าบอกว่าอันนั้นก็ยังไม่ต้องรีบหรอกเนี่ยนะยังมีสิ่งที่ต้องรีบกว่านั้นอีกอารีดอย่างที่ว่านั้นก็คือรีบที่จะเพื่อจะเพียนรู้วนนี้ทุก นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้พระองค์ให้เพียรให้รีบมากกว่ารีบดับไฟบนศีรษะเนี่ยนะก็พระองค์สอนให้รีบแต่เราก็ส่วนใหญ่ก็จะช้าใช่หสังเกตได้จากจากเวลาทำบุญแล้วตั้งความปรารถนานะขอจงเป็นไปเพื่อตรัสรู้พระนิพพานในอนาคตการนูน้นเทนเนี่ยนะ นักวิชาการนู่นเนีกก่ยนะก็โอ้ยไม่รู้นู่นเน่ยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ ก, ก็ ก, ก็ตั้งไว้อย่างงั้นแหละว่างั้นแต่แต่ก็ดีความไม่ตั้งอ่ะนะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พูดถึงว่าโอหมันไม่ค่อยใกล้กับคําสอนเลยนะคําสอนบอกว่าให้เรียบยิ่งกว่ารีบดับไฟบนศีรษะแต่ของเราก็ปาถนาเผื่อแล้วเรียบร้อยแล้วน่ยนะ <c oughs> แล้วก็การบําเพ็ญเพียรเนี่ยนะนับว่าสําคัญมากจากในทุติยะโทศพลสูตร สังยุตนิกายนิธานวักนี้พระอง์ตรัสว่าการที่ผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมะอันเลิศด้วยธรรมะที่เลวอ่ะไม่มีหรอกเนี่ยนะแต่การตรัสรู้ธรรมะอันเลิศ ก, ก็ด้วยธรรมะอันเลิศเนี่ยนะสมมุติว่าธรรมะที่เลิศเนะี่ยคืออะไรก็คือการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะชื่อว่าธรรมะอันเลิศถ้าปฏิบัติด้วยศรัทธาที่เลวอ่ะเงี้ยแต่วิริยะที่เลวสติที่เลวสมาธิที่เลว ปัญญาที่เลวเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกธรรมะเลวๆอย่างนี้จะทําให้บรรลุธรรมะที่เลิศเนี่ยนะคือโลกุตระธรรมที่เลิศนะโดยเฉพาะอรหัตผลเนี่ยก็ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าธรรมะที่เลิศเป็นเหตุให้ตรัสรู้ธรรมะที่เลิศเนี่ยนะนั้นธรรมะที่เลิศก็คือศรัทธาที่ที่เลิศเพราะฉะนั้นถ้าจากสูตรนี้เราก็มาเปรียบเทียบดูว่าเอ๊เรามีศรัทธาที่เลิศได้ไหมมั่นใจจริงๆอะนะที่ที่สำนวนบาง คำโฆษณาบางอย่างบอกมั่นใจนะบอกมั่นใจจริงๆ น, นะบอกว่าเรามั่นใจในพระพุทธเจ้านะบอกมั่นใจ น, นะเวลาวันไปไหนนะบอกถามว่ามั่นใจในพระพุทธเจ้าไหมอ๋อมั่นใจถามว่ามั่นใจส่วนไหนละครนี้โอ้โหโอ้โหโขนาดนั้นเลยนะลึกซึ้งมากอือแล้วเออวะนี่ ตั้งกต่เชามาคิดถึงพระพุทธเจ้าทีครั้งละก็ตื่เช้ามาก็ใส่บาตรอ๋อไม่ตอบไม่ตรงประเด็นเลยถามถามว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าตอบใส่บาตนี่ก็อคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าถ้าเไม่คิดบาถ้าอคิดถึงนี้ตอไปว่าตอนก็พูดถึงาหายอู่ือมมากก็ต้องคิดตอนะขึ้นมาตาก็คิดตอแล้วก็ไปทุลคิดถึงพระพุทธเจ้าม อรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณะสัมปันโนคือหมายคําว่ า, วามีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวนะหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์จริงเนี่ยนะใครมาบอกว่าไม่จริงไม่ยอมอยงนั้นเถอะเพราะพระ อ, องค์เป็นจริงๆก็อสองพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยนะก็สาพระองค์มีวิชาจารณะจริงๆอย่างนั้นเถอะมั่นใจแน่นอนว่าพระ อ, องค์มีวิชาจารณะ แล้วก็พระองค์นี้เป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกอย่างแท้จริงพระองค์นี้สุขโตไปดีจริงนีนะพระองค์นี้เป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าจริงพระองค์ไม่มีใครมีคุณธรรมเท่าพระองค์จริงเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมรัตนะเป็นต้นอย่างแท้จริงอ่ะนะอันนี้เรียกว่ามีศรัทธาในาพระพุทธเจ้าบอกว่ามั่นใจอย่างนั้นจริงๆ อันนะไอ้คำว่ามั่นใจไม่ใช่ว่ามั่นใจครั้งเดียวแล้วพอเลยนะหมายถึงว่ามั่นใจแบบนี้บ่อยๆเนืองๆคือจริงจะเรียกว่าเจริญศรัทธาเนี่ยนะสไล้วข้อ 2, 2มั่นใจในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะเหล่าใดที่บุคคลปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อสิ้นทุกขธรรมะเหล่านั้นทําให้สิ้นทุกได้อย่างแท้จริงมั่นใจว่าถ้าผู้ที่มีธรรมะที่พระองค์ว่าแสดงไว้นะพ้นทุกข์อย่างแน่นอนข้อที่ต่อไปสุดท้ายก็คือ สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติสมควรที่จะเป็นนาบุญของโลกอย่างแท้จริงนะนะอันนี้พูดแบบสรุปว่าสาวกของพระพุทธเจ้าคู่ควรแล้วที่ท่านเป็นนาบุญของโล ก, กนะนะก็ก็ตารบแบบนี้เป็นไปแบบนี้จึงจะเรียกว่ามีศรัทธาเนี่ยนะคือมุ่งเอาศรัทธาที่มีปัญญาประกอบเป็นศรัทธาที่มีความรู้ความเข้าใจในคําสอนเป็นอย่างดีนี่ข้อแรกกันนะศรัทธาศรัทธา มาท่านปนุพระอหารเ่เพราะเราไม่ไเป็นพระอหาแต่รู้คุณในการศึกษาอย่างนี้จะกว่าเป็นก็คิดอย่างนั้นแล้วปีติไหมครับคิดอย่างนั้นพอที่จะให้เกิดปีติปราโมทหมก็ิดได้ก็เกิดได้ในะวเป็นบุรุษผู้อัจฉรยคือเป็นเป็นผูู้ดไดกว่ากว่าศาต์ทั้งหลายแต่ว่าคุณแห่งพระอหารเนี่ยคุณอยู่ชนยย่อมย่อมย่อมรู้ไม่ได้เพราะไม่ ไปงันเด็กก็ก็บทว่าอรหันที่เรียนมาตั้งโหใช้เวลาเรียนเป็นเดือนนี่ยนะครับเป็นไหนหมดอ่ะอรหังไกลจากกิเลสก็เอาเรื่องกิเลสมาจับนะครับสัมมาอรหังไกลจากกิเลสกรรมจักฆ่าศึกคือกิเลสหักซีกรรมแห่งสังสารจักเนี่ยนะเป็นเป็นผู้ที่ควรรับทักษิณาเพราะว่าทาทักษิณาที่บุคคลให้แล้วมีผลมากเมียนิสงมาก พระหัน์ไม่มีความลับในการกระทําบาปหรือไม่มีการกระทําบาปแม้แต่หน่อยหนึ่งไม่ว่าณนะที่ไหนสถานที่ใดเนี่ยนะไกลจากอ า, าสตัตบุรุษอยู่ใกล้กับสัตบุรุษอันคนดีทั้งหลายไม่ควรทอดทิ้งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่ควรสรรเสริญเป็นผู้ที่ไม่มีการไปในภพเป็นต้นแล้วก็เอาคุณธรรมต่างๆก็มาพิจรารณาไถ่ครควนดูแล้วก็ยอมรับว่าภาษาสดาของเราเนี่ยเป็นเช่นนั้นอย่างแท้จริงเนี่ยนะอันนี้เรียกว่ามั่นใจในว่าพระ อ, องค์เป็นพระรหรัน์ และที่สองพระ อ, องค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เออพระ อ, องค์ตรัสรู้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งตรัสรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ธรรมะตรัสรู้ธรรมะที่ควรละรรธรรมะที่ควรทําให้แจ้งที่ควรเจริญเนี่ยนะอะไรมั่งอะ่ะที่พระ อ, องค์ตรัสรู้ก็เรพิจารณาไล่ไปก็เราเรามั่นใจขนาดไหนในส่วนนั้นๆไปอันนั้นก็นับว่าเป็นศรัทธาของเราแล้วก็วิชาและเจรณาพระ อ, องค์มีวิชาสามมีวิชาแปดนะนะก็เอาวิชาสามวิชา8ดมาพิจารณาดูว่า เราแน่ใจนะว่าพระ อ, องค์มีวิชาเหล่านี้จริงๆแล้วพระ อ, องค์มีจารณ ะ, ะสิบ้านับตั้งแต่ศีลเป็นต้นก็เอาเรื่องศีลมามาคิดมากๆศีลของพระ อ, องค์เราก็รู้ว่ามีศรัทธายอมรับ ว, ว่าพระ อ, องค์นี้เป็นเช่นนั้นอย่างแท้จริงอันนี้เรียกว่ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนศรัทธาในพระธรรมก็คือว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าปฏิบัติตามเนี่ยพ้นจากทุกในวัตฏะได้แท้จริงไหมแล้วก็ตั้งคําถามว่าทําไมจึงพ้นได้ นะแล้ววัตตะมันคืออะไรเนี่ยต้องต้องมั่นใจแบบนั้นแล้วข้อสามว่าพระสงฆ์เนี่ยปฏิบัติดีๆทางกายดีทางวาจาแล้วก็ดีทางทางใจเนี่ยนะปฏิบัติตรงตามคําสอนอย่างแท้จริงแล้วก็สามารถตรัสรู้อริยสัจตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างแท้จริงแล้วก็มาทบทวนดูพอที่เราจะประกาศว่าเรามีศรัทธาในส่วนเหล่านั้นอย่างอย่างแน่นอนถึงคนอื่นชวนเราไปเรื่องอื่นเราก็ไม่ไปเนี่ยนะไปไปเรื่องอื่นนี่หมายถึงว่า ถ้ามีผู้บอกว่ามีผู้วิเศษที่มาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงเป็นต้นเนี่ยนะหรืออาจจะด้วยเหตุผลอย่างอื่นและชวนเราไปนับถือ น, นะเราก็บอกเราไปไม่ได้เนี่ยนะเพราะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นสารณะอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะพอรู้คุณของพระ อ, องค์อย่างแท้จริงแต่คนในยุคนี้ส่วนหนึ่งก็นับถือแต่ว่าไม่ได้รู้คุณก็เลยไม่ต่างจากไม่นับถือเท่าไหร่เนี่ยนะ พอพอไม่รู้คุณเลยว่าเอ๊ะศรัท ธ, ธาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถามจริงๆค่ะคุณศรัทธาในส่วนไหนก็บอกท่านขลังดีถ้าอย่างนี้ก็ก็ศาสนาเสื่อมจริงๆก็ก็เชื่อแล้วว่าว่าว่าหมดแน่นอนอย่างนั้นเอถอะพระธรรมดียังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าดีก็แล้วกันไหนอย่างนี้ก็ก็หน้าสงสารนั่นแหละเนี่ยนะนี่นนะท่องกันผีเป็นคาถากันผีไปน่ยนะ เป็นคาถาก็บอกว่าปิดอบายได้กท็ท่องไว้เผื่อจะปิดอบายกับเขาได้งงไมั้งเนนะท่องเอาลาบอย่างนั้นเถอะเชื่อว่าถ้ารักษาตามนี้แล้วรวยจริงมีลาบจริงดีจริงถ้าถ้าอย่างนั้นก็น่าสงเห็นใจมากๆเลยนะ เพความเข้าใจในในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะนับว่าสําคัญที่สุดเลยนะว่าทํำยังไงเนาะเราจะได้มีความทราบซึ้งหรือมีความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยกล่าวบ่อยๆ อ, อย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะบรรลุเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องการบรรลุเลยนะส่วนทั่วๆไปก็คงป่าถนาบรรลุมักผลนิพพานใช่ไหมหรือป่าถนาบรรลุอริยสัจอ้าแล้วผู้ที่บรรลุอริยสัจนี้เขาเขาเข า, เขาดียังไงบ้างอ่ะ เนี่ยนะเขาก็ดีหนึ่งเขามีอาจารลักษัพธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมแล้วก็ในพระสงฆ์เขามีศีลดีเ่็นไหมเขาก็เอาความมั่นคงในพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องวัดทีนี้ถ้าหากว่าตั้งแต่แรกๆก็ไม่ได้เข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะโอทับบรรุโสดาบันนี่นะจะเชื่อพระพุทธเจ้าขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่า ไปนะถ้าสมัยนี้ก็บรรลุกันไม่น้อยโอ้บรรลุยามสิบกกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าดูจะห่างพระพุทธเจ้าไปทุกทีทุกทีนะในช่วงเช้านี้ก็คงสมควรเก่เวลาแล้ว น, นะ